ธรรมชาดกแผ่นที่หาลำดับที่9โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่13มกราคม2 5 5 4มีชื่อเรื่องว่าอาหารมื้อสุดท้ายหลวงพ่อ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 ขาวที่แล้วนะ่มั้งได้สองคืนจากนั้นกลับไปอีกเพิ่งกลับมาอีกเนะี่ยกลับมาขราวนี้ก็คงจะเป็นวันที่สิบสี่วันวันที่สิบสี่วันพรุงนี้จะมีการมอบเครื่องมือแพทย์ที่โรงพยาบาลสูงอุดรเครื่องผ่าตัดหัวใจเครื่องใบาพ า, ขาดขณะทางกรุงเทพหรือ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 ถึงอาหารพวกเราดูในโทรทัศน์มืเริ่นเทินทักก็เถะพอเห็นอาหารแล้วตลงพ่อก็อิม่มจากนั้นก็มีความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นมันอิ่มไปหมดเลยทีนี้อมันอิ่มหมดพวกลูกหลานเห็นหลวงพว่อเนาะโอ้หลวงพ่อทําไมผอมมากใช่ไหมผอม พอลงพ่อไปอยู่ที่นั่นดูแล้วมันฉันก็ไม่ปกตินอนก็ไม่ปกติความคิดความพยายามใช้แนวความคิดประสานสมคีพี่น้องลูกหลานทุกขูทุกคนจะรักษาองค์รงตาอย่างไรล้วนแล้วจะเป็นแนวความคิดถไทยเว่าวิตกกังวลก็ใช่เพื่อจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยด้วยดี เรียบร้อยราบรื่นมันก็ไม่เหมือนอยู่วัดวันนี้เราะหลวลงพ่อจะฉันอาหารอร่อยงั้นแต่แต่อยู่อย่างนั้นนันโอแต่จะทำยังไงได้เวลาเราไปชุมชนสิ่งที่จะต้องได้คิดได้อ่านมันก็ต้องได้คิดช่วยกันคิดพี่น้องอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดพี่ได้สองน้องได้หนึ่งอย่างนั้นละ่ะ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 มันจะดีตามเจตนาหรือไม่ยากับเจตนาไม่ใช่อันเดียวกันนะยาดีกับเจตนาดีเนะี่ยมันต่างกันเพราะนั้นการเจตนาดีเราก็ต้องดูว่าการรักษาี้ได้ผลอย่างไรโอ้เข้าไปดูดแล้วอ่ตาเจวันหนักไหมไม่มีอะไรที่จะพูดได้เลยวงั้นแไม่รู้จะหนักลักษณะยังไง ไม่รู้จะออกอยังไงแต่สรุปแล้วก็คือส่วนในใจลึกๆของแต่ละคนผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องได้คิดไว้ในใจนั่นทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องไปตามกฎอ น, นิจังทุกขังอนัตตาไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้ถึงเราจะทุกข์กับท่านก็เท่านั้นแต่การไม่ทุกข์ไม่คิดเฉลยมันก็ไม่ถูกแต่คิดจนหนักใจจน อไม่มีเอเสียรูปแบบไปมันก็ไม่น่าจะเป็นอย่า ง, งานั้นเดี๋ยวคิดต้องคิดช่วยต้องช่วยทําต้องทําแต่ในใจส่วนหนึ่งแล้วเราต้องอืต้องปล่อยต้องต้องคิดในกฎทำคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าอันนจ้องทุกขังอนัตตาอันนี้ในใจของเราชวดลึกจุดนั้นคือฐานจุดนั้นอ่ะต้องมีฐานเอาไว้ อถอยหลงโกฏออกมาแล้วก็ต้องมาวิ่งผิดถึงฐานตัวนั้นเหมืนกันฐานต้นนั้นคือฐานอันนิจังทุกขังอนันตาไม่มีใครเทจิหลีกลีหนีพ้นไปได้แต่เวลา บ, บุกออกไปไปสู้แต่เราก็ต้องไปคิดทํายังไงช่วยยังไงจัดการยังไงแต่มันสุดวิสัยจริงๆมันเกิดวิ่งเข้ามาหาฐานก็อีกอันนิจังทุกขังอนันตาอีกมันต้องลักษณะอย่างนั้นน่ะจึงไม่เสียศูนย์เหมือนกันได้ถ้าคนไม่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 จะดูจะด่าใครจะว่าให้ใครก็มันก็เท่านั้นเ อ, อดูดายุว่าอยู่เอบอ่าทําอย่างนั้นทํำนี้แต่ว่านึกถึงในใจเราก็ต้องดูฟังเจตนาดูเจตนาของเขาเขาเจตนาดีเเนี่ย อ, อแต่เขาก็มีเจตนาอย่างนั้นมีความคิดเท่านั้นมีความเห็นเท่านั้นเออสียงเหล่านี้มันต้องออบวกลบคูณหารทบทวนดู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 สุกรมัทว่าเนี่ก็บางคนก็ว่าเป็นอาหารของเป็นอาหารของสุกรเป็นเหตุที่สุกรมันกินที่มาถวายคือคืออาหารอ่อนแต่บางคนก็ว่าหมูออืหมูน้อยหมูยังยังเนื้ออ่อนอยู่ที่นายจุนทา ก, กำมันบุตรทําถวายพระพุทธเจ้าในเช้าวันนั้นพระพุทธองค์ก็รู้แล้วว่าอันนี้คืออาหาร ที่เราจ้องเสวยไปแล้วเนี่ยจะต้องให้โทษกับเราก็ท่านพระ อ, องค์องค์จะรู้ระักกรรมในอดีตชาติพระ อ, องค์อย่างไรพระ อ, องค์จึงเสวยพรกายอาหารอย่างนี้พอเสวยพรกายอาหารนะท่านไม่ให้องค์อื่นฉันนะท่านไม่ให้องค์อื่นฉันนะพอฉันเสร็จแล้วเอาไปฝังดินในชะไปเผาไปฝังดินอาหารนะแต่พระ อ, องคง์พราฉันแต่องค์อื่นไม่ให้ฉันแต่พระ อ, องค์รู้ว่าอาหารที่จะเป็นพิษ พระ อ, องค์ต้องรู้สว่าอาหารจะต้องเป็นพิษถ้าให้องค์อื่นฉันที่จะต้องเป็นพิษเนี่ยนี่แหละพระพุทธองค์ท่านยอมรับของเรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของพระองค์อื่นไม่ใช่เรื่องของใครอื่นเป็นเรื่องของพระ อ, องค์เองในเมื่อนายจุนทะเอาถวายอาหารเข้ามากถวายกับเพื่อพระสง์ที่บริษัทบริวารของ พ, อพระพุทธเจ้าที่ไปฉันในบ้านของนายจุนทะ พอฉันพออาหารเข้ า, า่าพระพุทธองค์ก็ฉันพอฉันเสร็จแล้วก็อาหารจํานวนนะั่นเอาไปฝังดินชะนะฝังทิ้งชะนะไม่ให้องค์อื่นฉันถ้าพิจารณาอีกแบบหนึ่งกับเหมือนพระพุทธเจา้าเห็นแก่ตัวขี้ตะนีทีเหนียวอาหารดีๆกินแต่ฉันแต่องค์องเดียวไม่ให้องค์อื่นฉันถ้าพระพุถุชนนะถ้าพระพระหันเลยท่านก็รู้เหตุรู้ผลต้องก็ไปว่าอะไร แต่พระพุทธเจา้าท่านรู้ถ้าพวกท่านฉันไปแล้วที่ต้องเป็นพิษแต่ไม่เป็นไรสำหรับเราเราก็จะทิ้งขันในวันนี้อยู่แล้วเป็นเรื่องของเราจากนั้นพอถาวายอาหารเสร็จแล้วพระองค์ก็เดินทางไม่มีรถรถจนไม่มีรถมา้าไม่มีรถอะไรเดินไปเรื่อยเหมือนกันเดินชัตเสพเนจรไปเรื่อย คงจะไปถึงแม่น้ำหตรงพ่อจําไม่ได้พอนึกคิดเร็วๆมันจาไม่ได้แต่ขณะที่เดินทางไปนั้นพระ พ, พุทธองค์ก็บอกกับพระสงฆ์บอกตกกัสัตพระอา น, นุ์ว่าในจุนท้าเนี่ยคงจะวิตกกังวลเมื่อทานอาหารของนายจุนท่าแล้วพระองค์ก็ปรินิพานตายพูดง่ายๆเพราะเป็นอาหารของเรากระวัง ให้พระอา น, นุ์บอกกับนายจุนทะด้วยว่าอาหารของจุนทะที่ถวายมื้อสุดท้ายนี้มีอานิสงเท่ากับนางสุชาดาถวายข้าวมัตุปยาดวันที่เราได้ตัดสรุ้บอกจากนั้นนะอานน์บอกกับนายจุนทะนะถ้าหากว่าเขาไม่ได้ยินคำตรัสของเราเขาจะมีความเสียใจ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 มีอนิสง์มีบุญเท่ากันเท่ากันกับนางสุชาดาที่ถวายเข้ามัทุปยาต์วันที่เราได้ได้ตัดสรุปพระพุทธองค์สั่งกับพระอนุ น, นเห็นไหมความพระเมตตาของพระพุทธเจา้าขนาดนั่นแหละจากนั้นก็เดิน เ, ดเซพนเจนจรไปกว่าเดินแบบอายุแปดสิบปีแล้วนะคนอายุแปดสิปีแล้วก็เดินจะไปขนาดไหนเดินเดินไปเลย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 ตรงถึงฝั่งแม่น้ําที่จะข้าม ท, ทิ่งทั้งข้างล่างได้จะข้ามไปเมืองกุศินารานพระองค์ก็บอกพระอานุน์ว่าอานอนุ์ให้พับผ้าสังฆาติเป็นสี่ชั้น เ, เราตถาคตเหนื่อย เ, อเราตถาคตจะพักนี่แหละคือสมัยนั้นไม่มีเสือมีศาสตร์มีหมอนอีกต่างหากคือใช้ผ้าสังฆาติทั้งห่มด้วยเออ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 จัดผ้าสังคาติปูนอนผ้านนก็อายุแปดสิบเหมือนกันนะกับพระพุทธเจ้าสรุปแล้วก็คือผ้านนก็ไม่ไม่ใช่ผ้าห น, นุ่มผ้าน้อยอายุ8ปดสิบเท่ากับพระพุทธเจ้าพราสงฆนะ์ที่เป็นลูกศิษย์นัคมช่วยกันจัดการลุ่มดูจากนั้นพระองค์ก็นอนพักผ่อนพระ อ, องค์ก็บอกว่ า, อ, านอนนท์ให้นำบาตรไปตักน้ำมาให้เราดื่มที่เราหิวก็หาย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 พระอนลก็เดินกลับไปอีกทีนี่ด้วยความท้อแท้ใจอย่างมากเป็นกันเพราะน้ํามันขุ่นก็เห็นกับตายอย่างนีนจะไปตักน้ํามาถวายพระพุทธเจ้าได้อย่างไรแต่นี้นก็ด้วยความคิดถึงพระพุทธเจ้าพระองบอกว่าเรากระหายน้ําจะทำอย่างไงได้ก็ไม่มีน้ําที่อื่นพระอนุลก็คงจะกวาดหน้าน้ําข้างบนเสร็จแล้วก็คงจะเอาบาตตักแหละตักเอาน้ําที่ขุน่นนะะั่นแหะ เพรไม่มีที่ไปเลยนะมันมันไม่มีที่น้ําไม่มีที่อื่นแล้วพอตักเสร็จแล้วพระอ น, นุลก็อุ่มบาตอุ่มน้ําอุ่มบาตมาพอตักขึ้นมาท่านน่ะน้ํนะาที่ขุนขุนนะกับใสแจ๋วขึ้นมาเลยเสียบพรันแบบใสแจ๋วเสียบพรันน้ําใสสะอาดมากขึ้นมาพระนนมองเห็นน้าโอทําไมน้ําขุนขุนจังกับ ใส่ถึงขนาดนี้โอ้อภินิหารพุทธานุภาพถึงขนาดนี้เชี่ยวเหรอพระอ น, นุลก็แปลกใจแปลกใจแต่ไม่แปลกใจเราท่านรู้อยู่แล้วว่านี่คือพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าจากนั้นพระอนค์ก็นาน้ํามาถวายเพราะพุทธองค์ก็ได้ดื่มน้ําด้วยความกระหายพระอ น, นุลก็ได้บรรยายว่าข้าพระองค์ไปตักน้ําน้ําขุน แต่พอตักขึ้นมาแล้วน้ำใสสะอาดสับรันพระพุทธเจ้าข่ายพระพุทธองค์ก็รู้โดยในไม่ได้ตรัสอะไรก็รู้แล้วอะไรคืออะไรจากนั้นก็พระองค์ก็ฉันดื่มน้ำเสร็จแล้วก็อา้าวเดินทางต่อไปเมืองกุชินาลานี่แหละอันนี้แหละคือ การอาพาธของพระพทุทธเจ้าอายุ8ปดสิปีพระ อ, อ น, นุ์พร้อมกับพระสงฆ์ตั้งหหมู่ใหญ่5้าร้อจากนั้นก็เดินข้ามแม่น้ำคงจะแม่น้ำกว้างตื้นนนะจากนั้นก็เดินไปที่สวนอุทยานของมัรรกษัตย์เมืองกุศินารานี่แหละอันนี้ก็คือทำไม พ, พระพุทธองค์จึงเป็นอย่างนั้นปูนหลัง จะเป็นพระพุทธเจ้าตราัสหรือว่าเป็นพระสาวกของพระพุทธองค์ยังได้ตรัสอันนี้ยังไม่ชัดเจนว่าพร ะ, พระรองค์สมัยก่อนหน้านี้พระรองค์ใช้กลธรรมของพระองค์เหมือนกันพระองค์ก็มีกลธรรมเหมือนกันกลธรรมคือในอดีตอดีตกลธรรมคือได้กระทําไว้แล้วบอกว่าพระองค์ได้เคยเอาวัวเลี้ยงวัวแล้วพาวัวไปกินน้ําขุน่นแต่ตามจริงน้นําใสก็ไม่อยู่แต่มันไกล ขี้เกียจพาเดินไปงั้นเถอะก็เลยเอามากินน้ำขุนขุนวัวก็ได้กินน้ำขุนนั่นะทุกวี่ทุกวันกลัมอันนั้นแหละมาตามสนองเรานี่นี่ว่ากลัมที่สิ่งที่ไม่ดีและอย่าทำเเลยดีกว่าพอทำไปแล้วมันจะต้องมาให้ผลในในเวลาใดเวลาหนึ่งแน่นอนเพราะนั้นพระพุทธเจ้าว่าอากาศตังทุ ก, กตังเสยโย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 การคิดร้ายก็ดีการทําไม่ดีก็ดีการพูดไม่ดีก็ดีอไม่เป็นมงคลสําหรับพวกเราผู้อยู่ใกล้เนี่แหล ะ, ะที่หลวงพ่อเข้าไปทําหน้าที่กันแทนวัดวาศาสนาหรือแทนวัดของพวกเราเนี่ยหลวงพ่อทําไม่ใช่ว่าไปด้วยความสนุกสนานไปด้วยความเพื่อทดแทนพระคุณ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 เพราะนั้นทาว่าเราถามอยู่เราอยู่เสมอทักทวงเราอยู่เสมอเราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาททำคําสอนขององหลวงตาเราเปิดฟังเวลาไหนก็ได้กลางคืนเทศอยู่ทั้งคืนนี่แหละธรรมเทศนาของท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราพวกเราหน้าตังอกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติธรรมนะจะตั้งอยู่ในความประมาทพ่อแม่กูบายจางกัอย่างนั้นอะหลวงพ่อที่อยู่วัดก็